ในฐานะที่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทักกินายาบุคคลสูงสุดพวกที่สี่ได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้พ้นจากความเป็นทาสแห่งตัญหาแล้วเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่ของถวายอย่างแท้จริงมีสิทธิสมบูรณ์ในการรับและบริโภคทั ก, กินาการบริโภคของพระอรหันต์ท่านเรียกว่า